<Book> 86. ซีสอินตอ a ตถามอดีตการสองคุณผูก넥ไทเส้นไหน w ุ a t er das ค e t jy gedra? คุณซื้อรถคันไหนแล้ว w คุณได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับไหน Wat er krant het j on e s i e e คุณได้เห็นใคร Wie h t i j g e z คุณได้พบใคร Wie het j ใหญ่อุนตมคุณได้เจอใครที่รู้จัก Wie het j ใหญ่เอรเกคุณตื่นนอนกี่โมงวานิ e เฮตย์ใหญ่อุบกิสตัคุณเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่วานิ e เฮตย์ใหญ่เบร n คุณเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่ w a n n e e เ het ย y o อ g บ h ข u าทำไมคุณถึงตื่นนอนว่ารูมเหตุยัยวักเกอร์เกทำไมคุณถึงเป็นครูว่ารูมเหตุยัยอูนเดอร e ไวเซอร์ทำไมคุณถึงนั่งรถแท็กซี่ว่ารูมเหตุยัยอตซีเม คุณมาจากไหน Waar het j ย j v ฟ n d ด a n g ก k ุมคุณไปไหนมา a r h e e ย het jij gegaan? คุณไปอยู่ที่ไหนมา Waar was j ส j geweest? คุณไปช่วยใครมาว he ฮตยาวเข้า p คุณเขียนถึงใครคุณตอบใคร